ผมก็ยึดหลักแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พาประพฤติปฏิบัติมาด้วยแนะนำสั่งสอนมาเพราะนั้นผมกจะต้องมาถ่ายทอดให้แกพวกท่านทั้งหลายแต่พวกท่านทั้งหลายจะรับไปอีกจะถ่ายทอดไปอีกอย่างไรอันนั้นก็เป็นแต่ละบุคคลถ้าพวกท่านทั้งหลายว่าท่านอาจารย์พูดเฉยฟังแล้วก็ได้ จะไม่เห็นจำเป็นหรือสำคัญต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านจะทำยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าแต่ผมก็เห็นมาหลายองค์เหมือนกันบางทีเหมือนกับผมเนี่ยเป็นคลังสมบัติเป็นผู้ถือเป็นผู้ถือจตุปัจจัยบางทีก็เข้ามาขอ มมาพูดมาขอคล้ายๆกับมาเรียบๆ เ, เคียงๆลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงผมว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการเป็นนักพฎนักบวชนี่มันอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบสบายๆยอย่างพระมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็ไม่เห็นจำเป็นที่ตรงไหน เว้นเสียจะ่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความจำเป็นในปัจจัยสีที่ว่าจำเป็นจริงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งอันนั้นคือคือความจำเป็นแต่นอกจากนั้นไปแล้วร่างกายสุขภาพยังปกติอยู่ก็ไม่เห็นที่เป็นจำเป็นที่ตรงไหนบินทบายเขาใส่บาตรให้ฉันอยู่แล้วอันนี้ก็คือผมว่าชีวิตนักบวชของพวกเรา น่าจะพอเพียงว่างั้นแหะให้รู้จักในการเป็นอยู่ของพวกเราอันนี้ก็คือเป็นนักบวชเ ท, ท่ว่านักบวชอาชีพไทยแกลวอย่างนั้นะคือนักบวชอาชีพก็คือนักบวช ท, ที่จะอยู่ดํารงทรงศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่นานเท่านานอย่างผมนี่เป็นต้นว่างั้นแหละผมไม่ได้คิดอะไรมากผมคิดอย่างนั้นจริงๆอยู่จะง่ายก็ได้ แต่มันมีมาก็อเอาใช้ให้เป็นถ้ามันไม่มีมาก็ไม่เป็นไรมีขนาดไหนก็ใช้ไปเท่านั้นอยู่อย่างพระสรุปแล้วเป็นอยู่อย่างพระอยู่อย่างพระให้พวกเราท่านทั้งหลายที่จะดำงรงสงศรนาต่อไปภายภาคหน้านะผมว่าให้อยู่อย่างพระอยู่รู้แบบรู้เท่ารู้ทันให้เป็นผู้ดำงรงสงศสนา อย่าไปคิดมุ่งหวังทางด้านวัตถุมากเกินไปให้มุ่งหวังธรรมหาทางพ้นทุกข์แก้กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจนั่นหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าสำหรับผู้บวชใหม่ผู้ที่เข้ามาบวชใหม่ ที่เขามาบวชในพรรษาเดีย๋ยวบอกนวกะนวกะภิกษุที่เขามาบวชในพรรษานี้สำหรับผมเองผมไม่ได้หนักใจกับพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติดำลงทรงอยู่ในหลักรรมวินยัยพอสมควรผมเองก็ไม่ได้ยิน หมู่พวกเพื่อนทั้งหลายนักอกหนักใจแต่พวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้หนักใจอยู่ผมไม่รู้หนักใจใครใครเป็นคนแก้เอาหนักใจของใครจะกหนักใจเรื่องอะไรผู้นั้นเป็นผู้แก้เองผมมีแต่เป็นผู้แนะนำให้เท่านั้นเองแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายไม่รู้จะแก้พวกท่านทั้งหลายก็แบกเองหนักเอง เพราะนั้นการแก้และการบอกกล่าวในการวิธีการแก้ผมก็พูดให้ฟังตรอดที่ท่านเข้ามาบวชเกือบพุกวันก็ได้ควรวางตัวยังไงควรวางใจยังไงควรทาใจอย่างไ ร, ร, งไรล้วนแล้วแต่การแนะนำให้พวกเรารู้จักกาลเทศะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักตัวเองทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในครั้งนี้ ก็จะจวนจบลงไปแล้วอีกไม่นานเมื่อจบออกพรรษาแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายออกไปเป็นคราวาตัตก็ให้เป็นคราวาตัตที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่าไปทำความชั่วเมื่อเราได้มาศึกษาในภาคปฏิบัติแล้ว ให้ยึดแนวแถวที่พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติการกรองไตรตรอ ง, รอ ง, รองเหตุและผลที่พวกเราเข้ามาในมาบวชในครั้งนี้ให้ทบทวนดูทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผมเองผมก็ไม่ได้คิดว่าผมด้อยในการแนะนำสั่งสอนหรือว่าขาดตกบกพร่องในการแนะนาสั่งสอน ผมไม่ได้คิดเลยแม้แต่น้อยออไม่ได้คิดเลยแม้แต่น้อยว่าขาดตกปกพองในการแนะนาสั่งสอนเพราะเหตุไร่พระตู้พระธรรมผมมีอยู่ห้องสมุดมีอยู่แล้วพวกท่านทั้งหลายเห็นว่าผมขาดตกปกพองพวกท่านก็ไปนค้นที่ห้องสมุดก็ได้มีหนังสือทุกอย่างอยู่ในนั้นพระไตรปิฎกมีหลายชุดทั้งบาลีทั้งอัตถกถา ทั้งหลายออโรงพริมพ์ต่างหากของมหามกุฏก็มีของกรมการศาสนาของก็มีสอธรรมปักดีก็มีทั้งยอดทั้งพิจารณ์ปฏิบิษฐ์สาหรับประชาชนก็มีจากนั้นทำเลข็ขิดของพ่อแม่ครูบายการประวัติของแต่ละของแต่ละองค์ก็เต็มไปหมดอยู่ในนั้นอย่างพระวินัยต่างๆพระสูตรต่างๆ นักธรรมตรีท่านตรีโทเอกมหาป ร, รียนมีพร้อมอยู่ในนั้นถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะค้นคว้าก็ค้นคว้าได้จากนั้นก็มีเทพธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาาจารย์ก็มากมายที่พวกเราจะไปฟังจากนั้นผมเองผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจผมก็ซื้อ ให้ให้เขาญาติโยมเอา เ, อเทปวิทยุเอ็มพีสามมาให้อีกลงทุนมากมายเพื่อจะให้หมูได้ศึกษาได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติจากสถานีวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตาถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายชอบค้นคว้าชอบศึกษาผมเองผมว่าผมไม่ได้ ด้อยในการแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนส่งเสริมในการได้ยินได้ฟังมากจนเกินถือจะว่ามากจนเกินไปถ้าเป็นเครื่องมือก็จนถึงกับว่าไม่รู้ว่าจะเอาเครื่องมือตัวไหนมาแก้กิเลสมันมากจนเกินไปจะเข้าลักษณะอย่างนั้นน่ะเพรา ะ, ะนั้นผมเองผมไม่ได้คิดว่าผมด้อยหรือว่าผมหย่อน ในการแนะนำสั่งสอนหมูพวกเพื่อนอาจจะมากเกินไปจนได้ซ้ำไปถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นพระที่ดีจะเป็นคนที่ดีจะเป็นคนเลวจะเป็นคนดียังไงมันสุดแท้แต่พวกท่านทั้งหลายจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมช่วยไม่ได้เพราะไม่ไม่ว่ายุคนี้สมัยนั้นสมัยพุท ธ, ทธการพระชั่วพระเลวพระอารัตชีโยมเป็นโมฆะบุรุษมอกก็มากมายมหาศาล มากต่อมากมาถึงยุคนี้ผมแนะนำสั่งสอนผมจะเป็นผู้แนะนำให้พวกท่านทั้งหลายรู้แจ้งเห็นจริงกับทุกคู่ทุกคนผมก็ไม่สามารถที่จะพูดถึงขนาดนั้นขนาดพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนก็ยังมีผู้ตกนรกหมกไหม้นะ ม, ามากต่อมากตามประวัติในพระไตรปิฎกเพราะนั้นผมเองก็พยายามแนะนำสั่งสอนหมู่พเพื่อนให้รู้จัก หลักพระธรรมวินัยแต่ความความสามารถของผมที่มันมีอยู่สรุปแล้วก็คือไม่มีกรมืออยู่ในอาจารย์ไม่ได้เก็บงาความรู้ความฉลาดความสามารถของตัวเองได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วไม่แนะนำสั่งสอนหมู่เก็บเอาไว้ไม่มีในใจของผมในเมื่อผมรับหมู่พวกเพื่อนมาผมก็พยายาม เอาความรู้ความฉลาดความสามารถ ท, ทุกด้านให้เป็นแนวความคิดของหมูพวกเพื่อนเพราะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายทุกองค์ที่เข้ามานะศึกษานะให้ฟังเอาไว้ว่าการพูดของผมเนี่ยถูกต้องไหมผมคิดว่าผมพูดถูกต้องผมจึงได้พูดเมื่อนั้นแต่ถ้าผมไม่พูดพวกท่านอาจจะตำหนิว่าท่านอาจารย์แนะนําบางสิ่งบางอย่าง ไม่ไปตามหลักธรรมวินยัยหรือไม่ลึกซึ้งพออย่างนี้ถ้าไม่ลึกซึ้งพอพวกท่านหลายก็ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาก็าได้เปิดฟังกลางคืนดึกสงัดเราจะได้ยินผมก็ได้ฟังมาจากอย่างนั้นเหมือนกันธรรมเทศนาที่ท่านเทศให้แก่พระาทาั้งหลายเนี่ยผมฟังดูแล้วผมอยู่ในนั้นได้ฟังอยู่ในนั้นด้วยเกือบทุกกัร ในช่วงปี 2,512 ถึง 2,525 25, ถ้ากันไหนอยู่ในนั้นมีแต่เวลาผมออกไปเที่ยวทุดงก็ไม่กี่เดือนท่านเองนอกนั้นผมก็อยู่ตลอดเพราะนั้นธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ผมได้ที่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังผมได้ฟังก่อนพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ผิดแปกแตกต่างกันที่ท่านแนะนำสั่งสอน แต่พวกเราจะเป็นพระที่ดีเป็นคนที่ดีอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะถามใจของพวกท่านทั้งหลายเองไม่มีใครไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนจะจับใจของท่านความรู้สึกของท่านบิดมัดให้คิดอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้ให้หลุดพ้นอย่างนี้ท่านคงทำอย่างนั้นไม่ได้ มีแต่ท่านทั้งหลายมีแต่ท่านแนะนำให้พวกเราได้ศึกษาให้เข้าใจจากนั้นพวกเราก็นำไปประพฤติธปฏิบัติตามแนวแถวที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนเพราะนั้นในการแนะนำสั่งสอนของผมผมย้ำอีกว่าผมไม่ขาดตกบกพร่องผมส่งเสริมในการ ให้หมูได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกที่พวกเราได้ศึกษาจากนั่นก่อนประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกือบทุกองที่เป็นสายหลวงปู่มั่นหนังสือเหล่านี้ถ้าจะว่าไปแล้วจะไปหาในตลาดไม่มีจะไปหาซื้อในตลาดไม่มีเป็นหนังสือ พิมพ์ออกมาเพื่อเป็นการเผยแผ่เป็นธรรมทานถ้าจะมีก่อนหนังสือพระไตรปิฎกหรือเล็กสือที่เขาพิมพ์เพื่อจำหน่ายรมตรีโทเอกมหาป ร, ริญญาพระไตรปิฎกอันนั้นมีแต่ข้อคิดข้อเขียนท ร, รมาเลคิดของครูบาอาจารย์แล้วโดยมากจะหาซื้อไม่ได้แต่ในห้องสมุดของเรามีมีพร้อม เพราะนั้นการที่จะค้นคว้าศึกษาก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ค้นคว้าแต่ว่าพวกท่านไม่ค้นคว้าก็เหมือนกับเราไม่กินยาใชเองเราเป็นไข้แต่เราไม่กินยามันก็ช่วยไม่ได้จะทำยังไงแต่าว่าพวกท่านทั้งหลายศึกษากเหมือนกับคนกินยาทานยาโรคภัยไข้เจ็บของพวกท่านก็จะหายตามลาดับลาดับ พวกท่านทั้งหลายก็จะรู้เรื่องหลักพระธรรมวินัยขึ้นตามลำดับลาดับเพราะอาศัยการศึกษาเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะที่มาบวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้เป็นเวลาสามเดือนก็ผมว่าเป็นสามเดือนที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของพวกท่านทางว่าพวกท่านทำให้มีคุณค่าทางว่าพวกท่านทั้งหลายทำให้ไร้คุณค่าก็จะไร้คุณค่าอย่างมากเพราะบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ฝังด้ความสนใจใส่ใจในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทําอย่างนั้นผมว่าถึงจะพวกท่านจะไปเป็นครวัตก็เป็นครวัตที่ดีไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เลยถ้าว่าเป็นพระเอาดีทางพระไม่ได้ไปเป็นครวัตก็คงจะเอาดีไม่ได้อีกอย่างเก่าแต่ว่าพวกท่านไม่ปรับปรุงแก้ไขกายว่าใจาใจของพวกท่านเอง แต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายปรับปรุงกายวาจาจใจของพวกท่านเมื่อมาเป็นพระเราก็ทําตนให้เป็นพระศึกษาอย่างพระปฏิบัติอย่างพระในเมื่อเราไปเป็นฆราวาสเราก็ทําตนอย่างฆราวาสศึกษาอย่างฆราวาสมีคุณธรรมอย่างฆราวาสน่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นฆราวาสที่ดีในเมื่อมาเป็นพระก็เป็นพระที่ดีเมื่อเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสที่ดีแต่เมื่อเราเข้ามาบวชแล้ว เรามาศึกษาสิ่งไหนก็ตามที่ไม่พึงพอใจของเราใจของเราเต็มไปด้วยกิเลสหรือเปล่าทําไมจึงไม่พึงพอใจทุกสิ่งทุกอย่างจะให้เป็นเป็นที่พึงพอใจของเราทั้งหมดใช่ไหมอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราใจของเรามีกิเลสจะให้พึงพอใจทุกอย่างคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรา จะต้องทำใจให้รู้จักให้รู้จักธรรมชาติอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าโลกทั้งโลกธรรมชาติของโลกเป็นยังไงธรรมชาติของน้ำมหาสมุทรทะเลธรรมชาติพระอาทิตย์พระจันทร์ธรรมชาติผูผาป่าไม้ธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติกิเลสราคะธรรมชาติกิเลสโทสะ ธรรมชาติของความโลภธรรมชาติของมนุษย์หญิงชายธรรมชาติเด็กธรรมชาติหนุ่มสาวธรรมชาติวัยกลางคนธรรมชาติของคนแก่มันเป็นธรรมชาติของใครของเราทั้งหมดโลกใบนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้ารู้เรารู้ว่าธรรมชาติขึ้นมาในจิตใจเราแยกแยะให้ออกว่านี่คือธรรมชาติ มันเป็นอยู่อย่างนี้ก่อน ท, ที่เรายังไม่เกิดมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้ในขณะที่เราอยู่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราตายไปแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อ ar, มันเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่าเราจะทำยังไงปรับปรุงตัวของเราให้เป็นยังไงให้เหนือจากธรรมชาติตะก่อนมเราเป็นธรรมชาติโง่แต่เราจะทำยังไงให้เป็นธรรมชาติที่ฉลาดขึ้นมา พระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันแต่ก่อนท่านก็เป็นผู้มีกิเลสเหมือนกันเป็นคนธรรมดาเป็นสิ ธ, ธิษะแต่ท่านพิจารณาอะไรท่านไต่ตรองอะไรตัดตัดกิเลสตรงไหนท่านจึงได้เป็นธรรมชาติของพุทธะพระหันสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านทำยังไงท่านจึงได้เป็นธรรมชาติของพระหันธรรมชาติของพระสกทาคา พระอนาคาพระสกทาคาพระโสดาดย้นแล้วแต่เป็นธรรมชาติถ้าเรามองเป็นธรรมชาติแล้วนั่นใจของเราก็จะสบายเย็นลงแต่ถ้าว่าเราไม่มองเป็นธรรมชาติแล้วมีแต่ขุนเคืองในจิตในใจไม่ได้อย่างใจของเราเราก็ขุนเคืองเราก็ไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นทุกข์ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายเอง ไม่ว่าหัวใจไหนนะ่ะถ้าหัวใจไม่ปล่อยวางหัวใจนั่นก็ต้องทุกแน่แต่ถ้าหัวใจใดก็ตามถ้ามองเป็นธรรมชาติแล้วมันธรรมชาติของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แมมันผุผ น, ผนผันผุนหันพันแล่นอย่างนี้แเป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของกิเลสลาคะธรรมชาติของกิเลสโทสะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นโลกทั้งโลกเนี่ยถ้าเรามองให้ดูดูแล้ว แบบเขามองเขาบอกว่ามองโลกให้เป็นศีลอันนี้ก็บอกมองโลกให้เป็นธรรมชาติให้เห็นเป็นธรรมชาติให้รู้แบบธรรมชาติโลกใบนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่จะทํำยังไงพวกเราจรึงจะให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นธรรมชาติที่หมดจดจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารเราจะผันยังไงเราจะพิจารณาอะไร ให้ใจของเราสูงสูงขึ้นไปให้เป็นธรรมธาตาิธรรมชาติของธรรมธาตุานั้ น, น, นอันนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดไตรตรองเหตุและผลตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนเอาไวา้แต่ถ้าว่าพวกเรายังหมกมุ่นยังเห็นโลกวัาตะสงสารยังเป็นสวรรค์วิมานหรือว่าเป็นที่อยู่ของตนเองอยู่ พวกเราคงจะทุกข์ในสิ่งเหล่านี้เป็นอนันตการไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าว่าพวกเรามองเห็นสิ่งที่โลกทั้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แนหะมันไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าเกิดมาพบหน้าชาดหน้ามันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละทะเลาะวิวาดกันแย่งแย่งกันบาดมา้างน้ําใจกันว่าเกา่า ผิดใจกันบางที่ก็หัวเราะเป็นที่ชอบใจกันเป็นที่พอใจกันรักสนิทสนมกันนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้พวกเราคิดดูกันแล้วกันคิดดูให้ลึกคิดดูให้ดีคิดดูให้ตลอดรอดฟังแต่แต่เราเกิดมาจนถึงบัดนี้หลวงพ่อนั่งพิจารณาทบทวนดูแล้ว มันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่างนันเถอะจึงว่าเอานำมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาได้คิดเนี่ยเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะทางว่าพวกเรามองอย่างที่หลวงปู่พ่อว่านะพวกเราไปอยู่ใ น, นสถานที่ใดถินด่นใดจะปรับปรุงกับธรรมชาติเห่านั้นเข้ากับธรรมชาติเหล่านั้นได้เพราะว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปทุกกระเท่านัน เราไปจะเป็นหัวเราะยินดีกับมันกะเท่านัน้อีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องผ่านไปตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ขณะนี้เราก็เป็นอยู่อย่างนี้เวลาเราตายไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นโลกใบนี้เรื่องเรานี่เพราะนั้นพวกเราจะทำยังไงจึงจะให้หนีออกจากวัฏฏบลตัวนี้ให้ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราสอนภาษาวก สอนอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าพิจารณาอะไรกำหนดอะไรเนี่ยกรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็คือการสํารวมกายการเป็นอยู่ให้อยู่ในกรอบสมาธิคือแนวความคิดอย่าให้มันเตลิดเปิดเปิงออกไปภายนอกปัญญารอบรู้ ในกองสังขารทั้งภายนอกทั้งสารภายในที่กล่าวมาทั้งหมดหนึ่งคือสังขารภายนอกตัวธรรมชาตินั่นแหละสังขารภายนอกสังขารภายในของเราเป็นหลงสังขารภายนอกมันก็เลยทุกข์เพราะฉนั้นให้ย้อนมาดูสังขารภายในของตัวเองความคิดความปรุงของเราเนี่ยมันไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปเฉยเมยมันจึงทุกข์มันไปเกลียดไปโกรธให้แก่ใครมันจึงทุกข์ เพรา ะ, ะนั้นพวกเราดูใจของตัวเองถ้าเราไปหลงเรานั่นเกินเราเป็นคนโง่เองเราเป็นคนไม่รอบคอบเองเราขาดสติปัญญาเองเราไม่รู้เท่ารู้ทันเองเราเจึงเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นนไม่ต้องตําหนิคนอื่นตําหนิหัวใจเราเองถ้าเราตําหนิหัวใจแล้วมีที่สิ้นสุดถ้าเราไปตําหนิที่อื่นแล้วไม่มีที่สิ้นสุดวันไหวไกวแกว่งไปเรื่อย แต่ถ้าเราตำหนิตัวเองเรามองเห็นมองเห็นเงื่อนงำที่จะประปับปรปุงแก้ไขว่าจะแก้ไขตรงไหนอย่างไรเราจะมองเห็นได้ถ้าเรามองก็มาหาใจตนเองแต่ว่าเรามองไปที่อื่นแล้วไม่มีไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่มีทางที่จะปรับปรุงแก้ไขจะทำให้มาได้อย่างแก้ไขเขาได้เพราะมันเรื่องของเขามันเรื่องของธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องดูเข้ามาหาใจของเรา ทานดูเข้ามาหาใจของเราแล้วเราจะรู้จักปล่อยวางที่ตรงไหนอย่างไรเพราะนั้ น, นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตอนนี้ไปรับผรอนุมโมทนาให้ผร